แตนิ่นท ำ, ำตามการ ต, ตามเวลาเป็นโมงคลเราก็มีจิตวัดวิธีวัดให้เราได้ปฏิบัติได้ฟังด้ยินได้ฟังเกี่ยกับงานกาปรปฏิบัติ เป็นข้อมูลเป็นรัตถุสร้า ง, ง, า ง, งคำามคำบอกคาสอนสมบอกคาสอนเกิดมาตั้งแต่อเปจาอุบัติขึน้นสองสางหกร้อยปีมาแล้วยังเป็นความจริงอยู่ไอตัว ไม่มีใครเปลี่ยนแปงได้สิ่ที่เกิดขึ้นกับปากกับใจเรานี่เป็นอันเดียวกันให้ความเสีความเสีความตายให้ความไม่เที่ยงให้ความเป็นทุกข์ให้ความไม่ใช่ตัวจนวิธีที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่รู้เรื่องนี้เอาความไม่เชี่ยงมาเป็นทุกข์เอาความเป็นทุกข์มาเป็นทุก เอาความมาช่วตัวตนมาจนสุขมาจนสุขสุขโลกแล้วหลอกเด็หลกให้สุหลกให้โกรหลอกให้โลกหลกให้หลงควาทั้งหดควาโกรธควมโลกคมหลงมันก็มาช่อตัวตนยังพาการปฏิบัติตามควาโกปฏิบัติตามควโลปฏิบัติตามความทุก ไม่รู้จักเกลีย จ, จักหลาบเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงนี่จะทำให้เห็นเรื่องนี้ได้ต้องมีสติมาศึกษามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าถ้ารู้ได้เห็นเรื่องนี้มาเช็ด เ, เรียนไปนรู้ไม่เีย น, นั้นอ่านแต่หมายก่อนนั้น เอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นตัวศึกษามีสติภปยในกายอยู่ป็นประจำเมื่อมีสติอยู่ในกายก็จะเห็นเรื่องที่เกิดกับกายมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิด เห็นหมดมาเข้าแถวให้ดูถ้ามีเจตจะเป็นเกณฑที่วัดจริงที่เกิดขึ้นกับตากับใจจนได้เปลี่ยนความที่เห็นนั่นให้เป็นความดีเช่นความไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกก็ามาเป็นโลกแล้วเพเห็นตามความเป็นจริง เห็นกองก่อเห็นกองโลกเห็นกองลกหลงเห็นกิเลสตัณหาราคาเกิดเก้นก็ไม่ใช่ตัวตนเห็นแล้วเมื่อมีสติจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับสตรีเมื่อมีสติลูกอะไรที่มันเกิดเกิดว่าไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไม่เป็นนึกเป็นชาติลายสตรีมัน ครอบงำได้เมือนแสงสว่างคำจัดความมืดไม่ติดบางงำทางมองเห็นความเทิความจริงว่าความหลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความโกรธไม่จริงความโลภไม่จริงความพอใจควาไม่พอใจไม่ใช่เป็นความจริงอัตนาการเกิดขึ้นที่กาที่เจอตามธรรมชาติตามธรรมดา เนี่ยเราไม่มีสิตีมันก็เป็นอย่างนั้นก็เรามีสิตีก็เห็นได้บอกได้สอนสิ่งที่เคยหลงก็ไม่หลงสิ่งที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์สิ่งที่เคยปวดก็ไม่โตดตัวเกิดชีวิตตั้งหนัวหลับาก็ไมเกิดก็เรืสามารถที่จะตรวจน้ําเปลี่ยเนื้ตาได้ เนาะเราเปรียมที่รุนมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีเพรมีฝ่าสวดน้าว่าเป็นบนุญอุชิตส่วนบนุญคนหลงก็อย่าหลงเธอะคนไม่หลงก็มีให้เขาได้เห็นกระเสือให้ได้ยินในฝังว่าหญิงที่เล่าโกรธเพรายเหนเขาไม่โกดก็มีให้ได้ยินยกพราะ ไ, ได้เคยได้ฟังได้ยินมา มีผู้บกมีผู้สอนมีพระธรคำสอนก็ออมาสอนตัวเองให้เป็นเขียนให้เป็นนิมิดว่าเออมีอยู่ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความโกรก็มีความไม่โกรธในความอะไรจนชานาญในความเจียความเจ็บความตายก็ว่านีความเจียความเจ็บความตาย มันเป็นไปได้แล้วก็จบได้ชีวิตของเราถ้าศึกษามีเรื่องเดียวลองหลงลองรู้ถ้าปวาให้หลงก็ไปคลายสมหลงนั่นแล้วจบก็ได้เป็นทุกก็ได้เกิดเลยก็ได้ถ้าไมวสมหลงนี่ว่าอวิชชาคือไม่รู้ ถตามีวิชาคือไม่หลงมันก็ไม่มีอะไรก็จบใช่ความไม่หลงจากความหลงเป็นคู่แต่ความไม่ทุกจากความทุกข์ถ้าเราศึกษามันบอกความเชิดความจริงเป็นการสัมผัสไม่ใช่คิตเอาเป็นการสัมผัสเป็นการรู้เห็นไม่ใช่คิดเห็ อันมาเข้าแถวให้ดูในจิตติดดูการเคลื่อนไหวเห็นใจมันชิดก็มีจติตในที่ตั้งหหางการกระทำในการกระทำการกระทำนี่มันจักจิตมันเปลี่ยนทำอย่างนี้มันเกิดยจากนี้ทำมาทำอย่างนี้มันเกิดจากนู่นอยู่ที่กรมกรมการกระทำเชื่อมันหนกรรม เชื่อมั่นในการกระทําทางกายทั้งกระทำทาง จ, จิตใจให้เหมือนเชื่อมั่นในการขับรถขี่มา้าตอนนั้นมันเป็นอาศัย อ, อื่นอยู่ออรถหยางมันแตกออก็จะลื่ลงถนนได้ขี่ม้ามันโยจกก็ออกจะตกได้แต่การเชื่อมั่นในการใช้กาย ใ, ใช้ใจนี่ มันไม่เป็นอย่างนั้นในความหลงไม่ความไม่หลงอยู่ที่เดียวกันในความทุกข์ในความไม่ทุกข์อยู่ที่เดียวกันมันจึงงั้นจะอย่างไหมทุกข์ที่ใดไม่ทุกข์ที่นั้นโกรธที่ใดก็ไม่โกรธที่นั่นชอบนี้ชอนานอย่างนี้นจิงเดี๋วนี้นจะเกิดขึ้นต้องฝึกหัดฝึตกจนสอนตน้น รูของลงดีบรมนกครูมีแล้วอย่าไปลังเดารงจยไม่ต้องค้นหาไม่เคยคิดหานำมาปฏิบัติไปเลยได้เห็นเกิดกับกายกับเจอนี่โอ้ตรงนี้นี่หลงโอ้ผู้เจ้าก็เห็นหลงอย่างนี้นี่คือกลวงง่วงนี่พู้เจ้าก็เห็นตรงนี้มาเป็นสองรู้ทั้งหมด หลาเรื่องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหวะขณะที่เรามีสติตนัยการดูก่ยเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดได้เปียนค่าได้เห็นใจเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต่างมากมายแล <c oughs> ้วกลับมาถามในวิชบได้บทเรียน เ, อเ ย, ยนเอะแยะการเกิดจากกาวจากใจก็มีกามีใจก็มีอยู่จริงกาวนี้ก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริง มันเป็นทรรมบาชาเป็นกฎธรรมบาญชาเป็นกดตายตัวอย่างไรไก็าจะมาเป็นใหญ่มันถ้าไม่เห็นไม่ใช่มาคลองมันมาเห็นมันมาดูมาเห็นรูกแจ้งในเรื่องนี้แล้วก็ หม่เที่ยงก็มีความไม่เที่ยงอยู่เสมอมีเวทนาก็มีเวทนาอยู่เสมอหมายใจเข้าหมายใจออกมีทุกข์ก็มีทุกข์อยู่เสมอถ้าไม่หายใจเข้าหายจอกก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยืนไม่นอนไม่นั่งไม่เดินก็เป็นทุกข์ก็ไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายก็เป็นทุกข์มันเป็นเวทนาของธรรมชาติธรรมดากดจ่ายตัว ตัวลีน้นตัวน้น่น้อยกัดก็เป็นขัดเจ็บเป็นกดตายตัวุยงกัดก็เจ็บนั่งนาง่นางก็ปวดหลังปวดเอวเล้นกดตายตัวอานนี้บทต่างๆที่เป็นสิ่งที่จําไม่ลาไม่เห็นเวทนา ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจะได้เห็นอเอออนี่คือเวทนามีอยู่ที่เวทนาก็สักวุ่นเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ก่อนุกก็ว่าเราทุกแต่ก่อนทุกก็ว่าเราทุกเจ็บก็ว่าเราเจ็บโกรให้เลี่ยนให้ยุงไม่อะไรก็มีแตวนี่นะมันเจ็บมันก็ดีขอบคุณมันรู้ได้เห็นว่าเออนี่มันตรงนี้ เห็บมันกัดที่เราตาไม่เห็นแต่มันสัมผัสได้เอ้ยมันเจ็บตาไม่เห็นให้คนอื่นดูอย่างกุหมูเห็บกัดที่หัวตาเห็นไม่ได้นึกว่าเป็นอะไรให้คนอื่นดูจึงเห็นว่าเห็บกัดอยู่ที่หัวแล้วก็เห็บกัดอยู่ที่ไหล่นึกว่าเต็มจนสีคำดูลูกคำดูมันเป็นหัวสีโตขึ้นโตขึ้น เป็นบวมขึ้นเมื่อสีมันจะแตกให้หลวงปู่เขาเช็งดีไปเอาไปดูด้ามาใช่สีมันจปนไปเห็บมันจิ้นอยู่ทั้งหลายวันหลายเดือนเสรจเท้าบวมนิ้วก้อยบวมขึ้นเอาดึงออกเชี่ยวมันก็ฝังอยู่ในนั้นมันกิ้นนานแล้วก็ป็นทึ่ คันคันแล้วกหายจับเจ็บแต่อไปก็คันข้นอีกจับเจ็บขึ้นอีกเหมือนเถื่อนขึ้นอีกจ น, นเต็เถื่อนอยู่ที่หลังอันนี้ตามมาเห็นมันก็บอกความเจ็บเอ้๋ฉน่าขอบคุณเมตนามันหิวก็ขอบคุณความหิวมันร้อนขอบคุณคณวามร้อ น, ออนมันเติมรูปเป็นตัวเติมนาเป็นรูปจริง มันมีลูกแล้วก็มีเวทนานี่สัาญามันลูกเราได้นี่สังขารมันปรุง ม, มันต่งสังขารเป็นไปตามขันร่นล้วนก็สังขารที่เป็นอุปทานยืดตัวว่าตัวนั้นนานสันทุกมาลูกเจออ้างตามเป็นจริง เราเห็นความเทกจความจริงที่เกิกับกายกับใจเหล่านี้เห็นของคิงอันนี้เป็นของขังแข็งเห็นของคิ็งอันประเสริฐได้ดูดไปพ้นมันมาได้ดูดพ้นจากของไม่จริงจนที่มันเค่เป็นทูกข์ถึงมีพิธีปฏิบัติแล <c oughs> นก็หมาะสม ศาสนาพุทธศาสนาศาสนาคือคนศาสนาจเจริญคือคนไม่มีทุกข์เพราะมีปัญญาลูกเคลื่อยจากสังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนการปรุงมาเป็นการไม่ปรุงคนจเจริญคนที่มีวิธีกรรม มีสาสนาพิธีวิธีกรรมเกิดขึ้นมาหลายอย่างทำให้เราได้ประกอบควรสวรดีสบบนี้เกิดขึ้นจากการกระทำมีวิชากรรมวัฒ น, นมีวิธีสวดมนต์ไหว้พระจารยง อะไรชอบ ก, ก็ยิ่งใจใจสั่งและยิ่งจะดีทั้งมรีเสมงอ์ที่อาจะรังครับก็เสียงเพองดังบังครับอาจจะยืนอ่ามันจุวุ่นวายก็ยิ่งใจใจสั่งก็จดีนะเรกน้องแสง แตกสิ่งที่ปิดให้มาได้เย็นสิ่งที่ถูกเสียงฝนกับเสียงพูดธรรมะแต่เราได้เย็นเฉียงพูดธรรมะก็เรืองเสียงฝนไปจะลด น, นั่งลด น, นั่งลดถั่ว แล้วก็หวังว่านั่งรถกัางคืนเพื่อจะได้พักผ่อนเราจะทำงาน <c oughs> เลนทางกับเอาสายเที่ยวกลางคืนจะได้พักส่อนคือก็พอนั่งหนาะมันก็ไม่ได้ไม่ได้พักเรื่องที่จะเอา อ, อนะไรน่าเสียนเสียนก็เปิดแทร็กเกิดดูหนังดูวีดีโอ คนดูก็แซวบ้างหัวเราบ้างนก็อยู่ในหนังในวิดีโอมาแล้วก็หลับตาซะนั่งหลับตาทําให้ลมอกหูทาใหาลมอกหูติ๊บติ๊บเิ๊บบเสียงเขาล้อเพลงแท่งอะไรต่างๆอยู่ในวิดีโอต้งไม่ได้ยิน ก็หลับตาทำให้ไม่ไปยินแ ล, นล้วก็ะไลรูสึกตัวเสมือนที่ขณะที่ตเสแยวอยู่นันดาแม่วางทีรองเงีบุติตติหลังสร้างจังหวะอยู่เน้นน้อยทีละครั้งฉันเทนินไอใครก็เรายินแต่เรานม้สมัคที่ ใส่ใจเรื่องการชลธิเลยไม่ได้ยินเสียงระฆังต้องเคลื่อนตัวมาเดินทานมามาบอกไอ้ฉันเป็นตีระฆังแล้วจึงรู้จักว่าพอาตีระฆังเมื่อไรเพอตีระฆังแล้วดรตีแล้วเมื่อเช้นี่เราเข้ามาได้ยินถ้าใส่ใจเรื่องการ แม้จะ่ายเสียงก็ไม่ได้เศร้ใจไม่ได้โศมจ๋าอักษรจ๋อยเรื่องสิ่งที่เราทําอยู่การปฏิบัติทำเมื่อมีสติสติมุ่งการเป็นสมาธิสมาธิที่มันกาจัดอกุศลหน้าที่ของสกุศลหน้าที่ของสติที่กาจัด ใส่ใจมันลู่เรื่องเดี๋ยวนานเร้่เด๋ยวหลองอืน่นไม่ต้องทำไม่ได้ไปโอดไม่ได้ไปโศกชู้ก็พิเดี่ร์ปัญหามันหมดไปเองรวามหลงหมดไปเองความโกรธหมดไปเองออกน้านเย็นไม่ได้อดไม่ด้ทนความร์มโกรธถ้าอดถ้าทนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางถูกต้องไม่ได้โอดไม่ด้ทนถ้าทำด้านอื่น ความจริงนี่จริงนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจริงนี่มีสิ่งนี่ก็ไม่มีผลกฎธรรมชา ต, าติผลกดตายตัวผลกดธรรมดาจึงมีวิธีฝึกหัดที่ยอดเยี่ยมมากกรรมฐานปฏิปทาฐานมีสติสตในากายเคลื่อนไว้เห็นใจมันคิดเนี่ยอาไว้เกิดขึ้นศากับใจก็มีสติลองดูต่อเนื่องลองดู หนึ่งวันเจ็ดวันลองดูเรื่องก็จะทวนกรเสือเกน้อยไม่เคยรู้ต่อเนื่องมันมีแต่ความหลงมีรูกก็คิดคนมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดแต่คนมีผัวมีเมียคนจนคิดแต่คนจนคนร่รวยคิดแต่คนรรวยคนเจ็วุก คิดแบบคนจุดควงจสุขคนจุดควาทุกข์คิดแบบคนจุดความทุกข์พอมีโชคดีมันก็แยงแล้วยิ่งดีมันต่อหน้าต่อตาเฉินต่อหน้าต่อตอพาพอจะมีโชคดีที่เดินถึงที่เกิดถึงที่เคยยิ่งเกิดขึ้นมาก็าได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดีเปลี่ยนแลวมันดก็ได้มีหบทเรียนได้ประสบการณ์เยอะแยะ <c oughs> ไอใช่เรื่องไม่ดีไอ้คนไอ้คนการกระโดดได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเป็นอะไรได้บทเรียนได้รสชาติต่างเก่าคนละมุมหัดจากนู่นมาหัดจากนี่เคยจำนาเลื่อนมาชำนาญเลื่อนนี่ อร่ยเป็นชำนานพิเศษหรืว่าชำนานในบ้านนี่พิเศษเหมนกับพระหนรงหลังโลกนี้เอคธาต่างกันวพราจชำมานอาการที่ปวดเดรียนต่างกันแนอรลกบกบค่าเช็กประเภทไหนต่างกัน นักลกที่มีค่านค้าศึกขับเครื่องบินบางคนก็ยิงานูบางคนก็รูแผนที่เป็นแม่ทัเป็นอะไรวางแขนอะไรตางถูกต้องหลายด้านเติบชาน ปฏิบัติทำไม่โอกาสแตกฉาดได้ได้ปฏิเยนจากเอาจากใจเนี่ยคือแยะเอาใจกรรมอาคนละวแบบนิสัถ้าจดิตนิสฉยต่างๆลาาาหลักข้าจดิตโธจดิตมุหะจดิตสองคนก็ไม่มีฉลิตแบบนี้แต่กดจืด ง่ายง่ายแต่ไม่มีรสชาติเช่นพระงหันที่เกิดจากโชกขวิปัสสโกแต่เรนนี่ปัจจาร์รร้วนเนี่ยม่ได้ไปเล่นนนมิตรม่ได้ไปเล่นยาเย็นชาอะไรต่างๆมากมายยังมาถึง สมบูรณ์ข้นสูต ส, ส, สุดเปลี่ยนเรื่สูงสุดเลยแต่จะเล่นชา้านก็มันก็เห็นนาจะเห็นรูปเห็นหนามเห็นอาการอะไต่างแต่เราไม่คล้องอยู่จุ่นี่มุ่งไปจุกจมที่จะตัวให้มากเส้นมากเ้นเราจะงบไม่จีความชุกไม่มีปีไม่มี เล่นอยู่ในกล้องโชกกล้องสงบเล่นอยู่ในกล้องโชกกล้องสงบนั่งเล่นนิดหนอยในชานไม่ไม่คล่องคล่วนเพราะมันกระแสมันบอกพร้อมจังเป้งเฉดมันบอก มันเรดให้รำเสร็จก่อนแม่องานการแม่งคนทางานหนึ่งวันสองวันจะเสร็จสามวันจะเสร็จเดือที่หนึ่งจะเสร็จจะให้เสร็จก่อนกาหนักก็มีความมั่นใจเอาเห็นกระแสอยู่แล้วก็กกับอันหนึ่งสองหนึ่งสองให้ทีเข้าไปสองวันเข้าไปสามจนนานเข้าไป ยิ่งง า, านที่ชำนาญก็ยิ่งยิ่ ง, งวง่องไวเส้นถ้าม่งานได้ว่องไวก็มีความชำนาญในความการทํางานกาปรปึกตนสอนตนก็เหมือนกันพระคอนจริงมันบอกทิ่งมาทิ้งไวๆทิ้งไวไวทิ่งไวๆเไไนี่ยกิดกับทํางานไวๆทํางานไวๆ หนึ kon, ่งคนเท่ากับสคนก็ได้เช็ดนดัหนาเกี่ยวข้าวเขาหวังคำหนึ่งว่างสงำพยายามจัดสรรตัวเองในชีวิตเรื่องการคำเรื่องการเกี่ยวข้าวกับพี่สากับพี่เขยเราคนเดียวจะต่อสู้กับคนสองคนเขาหวางคำหนึ่งแลวหวังสองคำเขาหวางคำหนึ่งล้ว่างสองคำลง เข็นตัวเองให้ขียิบาพอหมดเวลาขึ้นเดินกลับมานับอ้อนข้าวมก็เป็นอย่างนั้นว่าบาทีก็หลุดทิหน่อยเดินเท้าเลยร้อยร้อยสองคนเ่าได้ร้อยร้อยสองรอยสองร้อยมัดอันนี้คนสองคนเขาได้สองสองร้อยเราคนคนเดียวได้สองรอย น, นั่นแหละถ้าเราลำดับ ด, ดีในความตองู่ในความของลูในควมทุกลู่ลู่ลู่ปติก็ลู่มันสุกก็ลู่มันลู่ก็ลู่ไม่ได้วิตกวิจารปิติไมใค่ที่อยู่ที่นั่นจำอไรก็จังหวาตัวเองดีก็ปตินี่ความคู้นใจตัวเองหวงก็นั่นหวงก็นี่ มีเหมือนกันจิถึงพ่อิดถึงแม่คิดถึงคนที่คดถึงคนที่เราทำให้เขาทุกข์ก็มองเขาปวดปดเขาวดจะคิดเลยลืมกรรมาฐา น, น, นาเหมเือนพระไปเคียกมานเ่มเลงหลอนของอาจารย์ สอใจเรตุตเลยอาจารย์นาดาวอาจารย์สอนให้ต้องีิไปถามปัญหาพระเจ้ามนุษย์กว่าปัญหา1ิบหกข้อมนุษย์สิบหกคนมาไะถามคนละข้อเจ้าก็จะเดินตอบคำถามตอบไปหมดเลยตอบหมดตอเราไรู้ท ปั้ง5คนแต่คนนี้เองเขี่ยมงนโนยไหนขายธรรมดาขอโทษนะเมื่อจคิดถึงลุงอยากให้ลุงมาฟังเทศพุทธเจ้าอยากให้ลุงมาฟังเทศพุทเจ้าเลยไม่ไปรู้ธรรมของเข อ, งอันนี้ก็บงกกังคับเมื่อจะจบเมื่อจะติดความรู้ควาสงบปีเตอยู่ถึงคนนั่นคนนี้อยู่เลยเลืมขวเขียน เหมือนกับเปลี ALLY, uh uh i i. Oh, ่ยนเชียร ah ์มนุษย์ห่วงลวงชิดถึงลูงอยากให้รวมมาฟังเทพเจ้าเลยไม่จะพูดถึงกันอล้วเนาะจบการเจรจาต่อไปความตัน